ทามาสูฟังกันหน่อยนะนหนังสามสบายวันนี้เริ่มเป็นวันจะถึงฤ ด, ดูฝนทุกวัดทุกวานน่าอยากจะทำบุญซุนทานกันทุ่งนี้เป็นวันสวายผ่าจะ <c oughs> อาบนะ้ำฝนแกพ่พระพิสูจน์สามมาเนนเป็นการละทานอันหนึ่ง ซึ่งประเภทนี้ทางพุทธศาสนานิยมกันมาเนื่องว่าสมัยพุทธกาลจริงจังที่พระพุทธเจ้าตัสรู้ใหม่ใหม่พระเจ้าพระสงฆ์ยังไม่แผ่หลายสมัยนั้นคนยังไม่รู้จับการทำบุญสุนทานกันมีพิสุในพระเศษตัวน หือในบุคาลาลกุไรสะัะตนเหตุที่จะบัญญัติผ่านหน้าฝนวันหนึ่งนางยิสขาขามหาอุบาสิกาได้เข้าไปกราบนวัสจักรพระพุทธเจ้าในหน้าฝนเพื่อเอินฝนตก ตกก็ตกลงหนักไอเจ้าพระสงฆ์อยู่ตามก ต, ติลงมาอาบน้ำจะคงเป็นประเพณีของแขบหรือยังไงไม่ทราบการมาอาบน้ำทุกท่านไม่มีผ้าอาจน้องฝนตามสายขามาอาบกันอย่างสบายอย่างเด็กอาบน้ำนางมาเห็นข่าวก็เลยสลดใจ พระเจ้าพระสงฆ์ทำไมทำแบบนี้เห็นแต่ชี้เตะก็ทำกันแล้วพระเจ้าพระสงฆ์ทางพุทธศาสนาไม่ควรจะทำแบบนี้นางคิดพอมาเห็นพอนางจะเป็นคนที่มีอาจมีธรรมในใจสำเร็จโสดาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนับถือพุทธศาสนาเค่งคัด ปฏิบัติทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่งเอาใจใส่ดูแลรักษาเรื่องศาสนาเป็นอย่างยิ่งพอมาเห็นก็นเลยเกิดสลดใจพระเจ้าพระสงค์เหล่านี้สลอยท่านจะไม่มีาาพาดนงฝนจึง ท, ทำแบบนี้มองไปที่กติใดก็เห็น พระเจ้าพระสงฆ์อาบน้ำชุดวันเกิดไม่มีผ้าติดตัวเลยเล้ไปกราบทูลพระพุใจเจ้าอยากจะถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ไปจัดแจงมาถวายอหละเบื้องต้นที่จะเป็น <c oughs> เรื่องอนุญาตให้พระแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนคือเห็นธารมิสอมควร จะทําแบบนั้นแต่ถ้าอยู่ป่าหรืออาบน้ําในแม่น้ําท่าก็ยังอนุญาตเรื่องพระเยี่ยกายอาบน้ํายังมีในพอยีนในแต่เป็นน้ําแม่น้ําหรือเป็นสระเป็นบึงลงอาบถึงถเลือกถึงเสะดือแล้วก็อาบได้สบายในอย่างนั้นก็นั่น ไห้เห็นเอาไว้เยอะวะส่วนลามกนอกจากนั้นก็ถ้าอาบอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรปกปิดก็ให้หนุ่งผ้าอาบเพื่อจะไม่ให้ไปเจอไปเจอมีความหนาละอายต่อไปฉะนั้นเราพูทได้เจ้าจึงให้แสวงหาถ่าอาบน้ำฝน ตั้งแต่เดือนเจ็ดแรมคำหนึ่งเป็นตนมาพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรองค์ใดจี่ไม่มีผ้าอาบน้ำฝนให้สแสวงหาแต่มเห้ขอให้สแสวงหาตามที่ต่างๆหมายถึงผ้าที่ตกเขาถอดทิ้งไฟไหมหนูกัดหรือผ้าเศษที่เขาทจีงตามขยะมูลฝอยเก็บมาปะ การเข้าทำเป็นผ้าน้ำฝนแล้วก็อธิฐานหนุ่งห่มสำหรับตอนหน้าฝนอาน้ำฝนจะต้องมีผ้าปกปิดกายเดชชายจะสแสวงหาก่อนที่บัญญัติเอาไว้ได้มาเปา็นกบดับอาบัตของพระเมื่อได้มาแล้วดูมันเดือนแปดขึ้นคำหนึ่ง 8, 000, 000, 000, 000. ยังเหลืออีกสิบห้าวันจะถึงฤดูฝนให้ทํานุ่งหม่มได้ถ้าหากยังไม่ถึงเกณฑ์กำหนดได้มาแล้วทํานุ่งห่มก็ผิดอีกนี่เป็นเรื่องพาวินในเกี่ยวกับเรื่องผ้าอาบน้ำฝนที่มีอยู่ในตำรับตำลา <c oughs> สมัยปัจจุบันนี้เรื่องผ้าอาบน้ำฝนทุกวัดทุกวา รู้สึกว่าจะไม่มีการแสวงหากันเพราะอุบาสกอุบาสิกานักบุญในทางศาสนามีมากถึงวันเวลาจะเข่าพรรษาต่างขันต่างคนต่างขว้านควายแสวงหามาทำบุญสุนทานจนเล่นล้มในอดยากลำบากเหมือนก่อนเดืองผา อาบน้ำฝนก็ดีภาาอื่นก็ดีแต่ก็ไม่ทั่วไปบางแห่งบางฝนก็อาจจะอดจนอีกเหมือนกันเคยเดินทูดวงในสมัยก่อนตอนที่ทานอาจารย์มันยังมีชีวิตอยู่เคยไปจำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพระ จะมัสาดวยกันห้าองค์เนนหนึ่งองค์แล้วตาพระขาวอีกคนถ้าอาบน้ำฝนปีนั้นดูมันมีสามผืนแต่ผ่าเล็ก ๆ, ๆเอาทอเองผ่าฝ่ายถ้าเจนนุ่งคนที่เป็น้าเป็นเนนก็นุ่งยากต้องต่อสองผืนเป็นผืนเดียวกันถึงจะ น, นุ่งได้สมัยนั้นเป็นสมัยสงคราม ผ้าผ่อนทำสบายหายากถ้าผักขาวจะก็มีผ้าเพียงพื้นเดียวสงสารก็เลยเสียสละให้จากปีนั้นมากระทั่งปีนี้ก็ไม่เคยมีในชีวิตการบวชสามสิบกว่าปีมาแล้วก็เห็นปีนั้นเนี่ยพอพันสาก็ไม่มีผ้าอะไรอีกเขาให้ผ้าจะนำพันสาดูมันเป็นผ้าสบงวาดสองผืนท้งวัด กระินก็ไม่มีผ่าป่าอะไรก็ไม่มีก็ลเลยถวายครูอาจารย์ผู้ใหญ่ไปมีความอดอยากทุกยากในสมัยที่เดินทุดงอยู่ที่เคยเป็นสพพบมาโดยตัวเองแต่สมัยเดียวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะขาไม่ขาดตลาดเหมือนก่อนจะผูกคนโดยส่วนใหญ่สนใจทาง ศาสนาถึงวันเวลาก็สแสวงหาถึงตัวเองไม่มีเงินพอต่อค่าหุ่นกันสอ ง, ส, องสามคนเอาคื้นหนึ่งก็ได้ก็เลยสะดวกสบายทางพระเจ้าพระสงค์ถึงอย่างไรก็ดีการทำบุญสุนทานทางศาสนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะยังศาสนาอีกดังรงคงอยู่ ถาหากว่าพิสุสามะเนนขาด ก, การทนุถนอมขาด ก, การดูแลรัษรกษาพิสุสามะเนนก็อยู่ไม่ได้ในศาสนาเพราะมีพระวินัยบังคับบัญชาหากผิดวินยัยการประพฤติด้านจิตใจก็เป็นไปยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่นั้นพระวินยัยที่เรียกว่าศีลจึงเป็นพื้นสาคัญ วพวกพิกษุนักบวชจะอยู่ได้สะดวกสบายก็เพราะอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมให้การบำรุงรักษาถึงจะมีจิตใจแข็งแกร่งในการประพฤติปฏิบัติขนาดไหนถ้าหาขาดปัดใจทั้งสี่ก็เป็นไปใดอยากหรือเป็นไปไม่ได้เหมือนกันกันกบทหารถึงจะมีอาวุธ ด, ดีขนาดไหนเคยฝึกอบรมการรบมาขนาดไหน าขาดสวียงไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะจับอาวุธต่อสู้กับข้าศึกได้จําเป็นจะต้องให้แพ้ข้าศึกเป็นธรรมดาชันใดหูือํารุงรักษาพระพุทธศาสนาก็ทํานองเดียวกันจะต้องดูแลรักษาพระเจ้าจพระสงค์ในศาสนาไม่ให้ขัดข้อง ในทันสะดวกในการประพฤติปฏิบัติเมื่อทานสะดวกในการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นกังวลปริพอในใจท่านจะได้ตั้งหน้าปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของท่านเมื่อท่านรู้ท่านเข้าใจได้ถึงธรรมะอะไรพอจะมาแนสอนพวกเราซึ่งเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาต่อไปใ้ได้รับความเชื่อความเรื่มใส แนะสอนทางผิดถูกดีชั่วให้นี่เป็นหน้าที่ของสมณาธรรที่จะทำเป็นการตอบแทนอุบาสกอุบาสิกามีอย่างนั้นและอันนี้สองการทำบุญศุนทานถ้าหากเราไม่พิจิพิจารณากว่าจะเห็นว่าไม่เป็นของสำคัญเท่าไรความจริงสำคัญมาก ศาสนาจะอยู่ได้เพราะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเป็นคนขนุถ น, นอมบำรุงรักษาเพราะภา น, นีในทําไร่ทํานาจัดราชการไม่มีการขาดขายอะไรพระวินัยบังคับหากอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมไม่ดูแลรักษาก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็เสียเรื่อง พระธรรมวินัยไปแต่นั้นผู้ที่ให้บำรุงศาสนาจึงเป็นการ <c oughs> ยังศาสนาให้เจริญท้าวรต่อไปได้การให้ในพระวินยัยให้ในพระสูตรให้พระในพระประมัติเหลืองทานมันมีอยู่หลายอย่างทานในพระสูตรมีอยู่สิบอย่าง พวินัยมีสี่พระปรมั 6, ตมีหกการให้ทานแต่พวกเราท่านผู้จใหม่ได้ศึกษาด้านตำรับตำราก็จะไม่ทราบทานในพระสูตรตกล่าวอันนางปานางวัดถังยานางมาลาคันถังวิเรนปรนังเหลยาวาสถังปดีเปยังฐานวัตถุอเมรัสสะมีหมายถึงวัตถุทานา อันนังหมายถึงให้ข้าวปานังให้น้ำวัดถังให้ผ้ายานังให้ยานธนะเรือรถเกียนต่างๆมาลาดอกไม้คันทังให้ของหอมจะเป็นสบู่เป็นอะไรก็าตาม เป็นของหอมเรียคันทางวิเลปันนังหมายถึงให้เครื่องสาบทาในสมัยพุทธกาลมีปูกจุนที่บททาตามผิวหนังแต่ถ้าทาเพื่อความสวยงามผิดพระวิ น, นัยทาบำบัดรักษาโรคภยัยภายในกายไม่ผิด นี่สมัยพุทธการปกจุลกกคงจะดับความคิดความร้อนหรือผืนคันต่างๆมีการให้เสื่องสาบทานเงื่อนกันในพระสูตรเสยยะหมายถึงให้ที่นอนวาสะให้ที่อยู่วาสถังปฏิเปยัง หมายถึงให้ประทีปให้แสงสว่างถูกเทียนน้ามันเหล่านี้นี่คือทานในพระสูตรที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นวัตถุที่อุบาสกอุบาสิกาผู้บำรุงพระศาสนาจะต้องคิดหามาบำรุงศาสนาและจ่าพระสงค์ส่วนในพระวินยัยสีอย่างหมายถึง ให้จีวรบินทบาทเสนาสนะเทสะจีวรก็หมายถึงผ้าทุกชนิดบินทบาทก็หมายถึงอาหารทุกชนิดจะเป็นผักนางฮ้างย่าเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นข้าวอะไรต่ออะไรทีเราฉันลงไปทานลงไปบำรุงร่างกายเยกว่า บินธบัติเด ว, ว่าอาหารประเภทอาหารเสียนาสนะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยจะ เ, เป็นกติวิหารเป็นโบสถ์เป็นศาลาหรือเป็นฝูกเพราะอ้อมอต่างๆโต๊อิ่เตียงต่งววางเยอาเสียนาสนะเป็นที่พักพาอาศัยยาแก้ไขอี่ประเภทหนึ่ง เพราะเจ้าพระสงบวชเข้ามาในศาสนาก็จะต้องมีโครคใข้ไข้เจ็บเป็นธรรมดาเหมือนขลุ่ว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยยาบำบัด ร, รักษาเมื่อหม่ถึงการถึงเวลารักษาไปก่อนแต่ถึงการถึงเวลาจะตายจะมียาขนาดไหนมันก็ไม่ฟังก็ต้องตายไปนมเหลืองพองมัน พระพุทใจเจ้าขอทรงบัญญัติให้พุทธบริษัททำบุญโดยยาตลอดถึงไปทุ ด, ดงในป่าเมื่อมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาหาคนถวายยาไม่ได้หรือยาที่นำไปไม่มีพระพุธ้ธจเจ้าขอทรงบัญญัติปกติของเพิกสุ สิ่งใดที่คนอื่นไม่ให้จะเอามาฉันผิดภาวินัยทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงของนั้นจะเป็นยาวัตชีวิตคือฉันได้ตลอดชีวิตของคนนั้นก่อจังแต่เมื่อถูกเหตุจำเป็นเกิดขึ้นอย่างงูกัดหรือมีอะไรที่สำคัญ เป็นภัยต่อชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติยามหาวิกัดสำหรับภิษุโดยไม่ต้องประเคนเอาเองได้นี่หมายถึงยามหาวิกัดยาของพระพุทธเจ้ากับยาของโลกสมัยปัจจุบันอาจจะต่างกันพวกทีเ่เป็นนักบวชเคยศึกษาหลักของพระวินัยมาจะทราบเรื่องยา สำหรับรักษาตนเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นยามหาวิกัดนั้นหมายถึงมูดคูดเท่าดินสี่อย่างนี้ถ้างูกัดท่านให้เอาฉันเองได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาประเคนแต่ของเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ถือกันว่าเป็นยา มีใครสนใจว่าเป็นยาก็เป็นของต่ําของลามกของสกปรกหมดกว่าไม้ถึงน้ำเยี่ยวขูดกว่าไม้ถึงขีดเท่าวกวาไม้ถึงเท่าธรรมดาไฟไหม้อะไรแล้วมันเป็นเท่าที่หมดจากฐานไปมันเป็นเท่าดินกว่าไม้ถึงดินทั่วไปนี่ฉันได้โดยไม่ต้องปะเคน มียาสำหรับความจำเป็นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ <c oughs> แต่สมัยปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะหยุกยาอาหารทุกด้านมีผู้บมรุงบาเรอทุกอย่างสะดวกสบายอยู่ง่ายปฏิบัติสะดวกไม่เหมือนสมัยพุทธกาลพระภิกษุสมัยนี้จึงไม่่อยเห็นไทย ในวัตฏสงสารเพราะความสะดวกเพราะความสบายในอยากเย็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีผมเทล้นหลามเหลือเฟือนีความจิตจิตเลยไม่เห็นไทยนี่พูดถึงหลักของทวีนันหลักของการให้ทานผู้ที่สนใจจะควรคิดอ่าน เกเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนข้องตนพอเปโรมัดทานหกอย่างนั่นท่านกล่าวาไว้ว่าทานรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นี่ทานในพระปรมัติ์ถ้าคนใดสละได้ทานได้คนนั้นมีความสุขขันปรมัตร์รูป ที่เขาเราเคยติดข้องทิตตาได้เห็นอยากดูดูแล้วไม่เบื่อหน่ายดูแล้วกำนับยินดีดูแล้วติดข้องในจิตในใจเมื่อผู้ที่จะให้ทานทางปรมัติจะต้องทีนี้ที่รณาเสียสละถ้ายังยินดีติดข้อง ในรูปกวดตามเสียงกวาตามกลิ่นกวาตามรสก็าตามสัมผัสกวาตามอารมณ์ทางโลกขวาตามคนผู้นั้นจะปฏิบัติให้จิตสงบสงัดลงรวมยากจะได้มรด้ผลเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตใจยังสายแสยยังจิตข้องในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นผู้ที่ให้ทานรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์จึงเป็นทานขั้นสุดยอด ทานสารปรมาณจะเป็นฆรวาสก่าตามเป็นนักบวชกว่อตามเมื่อให้ทานได้คนนั้นมีจิตใจสูงมีจิตใจเยือกเย็นมีจิตใจเป็นสุขเบิกบานผ่องใสไม่กังวลดื้ร้อนภายในใจองตนทานปรมาณจึงเป็นทานยอด <c oughs> เป็นทานจาก ใจตัวเองทานจากตัวเองโดยไม่ได้ไปสแสวงหาวัตถุมาจากที่อื่นทานจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปที่เป็นอริยบุคคลท่านตองเสียสละตอนท่านองที่เจานาให้ทานส่วนนี้เมื่อทานได้ ละดใจของท่านก็ปลอดภัยพ้ผนทุกนี่พูดถึงเรื่องทานอา น, นิสง์ของการให้ทาน <c oughs> ก็มีมากผู่ศรีเวียนว่ายตายเกิดในวัตาสงสารจะต้องคิดอ่านพินิจพิจารณาการให้ทานเสียวัตถุไปเราให้อะไรสิ่งนั้นก็เสียไปจริงแต่เธอว่าเสียไป ให้คุณค่าเสียไปให้ประโยชน์เหมือนกันกับพืชพันธุ์ของ <c oughs> สิ่งต่างๆที่เราไปพอปลูกเป็นข้าวของเราหวานลงไปในนาข้าวเมล็ดนั้นมันก็จะต้องเสียไปจะเอามาซ้อมมาสีมาเป็นอาหารอีกไห่ได้ถ้ามันงอกแล้ว หรือไม่งอกมันก็เนา่าถ้าทิ่งลงไปปล่อยลงไปนานวันเท่าถ้ามีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็มีสิ่งอื่นที่จะมาเก็บเอาไปกินหรือไม่อย่างนั้นยังเหลืออยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เท่าไรให้เพราะไปถูกดินฟ้าอากาศรสชาติของผืชน่า น, นั้น จะเสียไปแต่ทุกคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ยอมเสียสละเพราะว่าพืชที่หวานลงไปเพราะปลูกลงไปมันให้ผลไม่ใช่เสียไปเฉยเฉยเสียไปแล้วงอกขึ้นมาเป็นลำต้น เ็นข้าวหรือถั่ว ง, งาต่างๆตลอดถึงผลเราไมา้มะพร้าวเป็นต้นแต่เราแกะกินหมดแล้วเอาไปปลูกมันก็ไปขึ้นเราจะต้องยอมเสียสละส่วนน้อยแหลกเอาส่วนใหญ่ฉันใดผู้ที่เห็นอันนี้สงอย่างนี้จึงมีใจเต็มใจอยากทำบุญสุนทานคือทำลงไปแล้ว อา น, นิสงส์นั้นจะเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันทันตาคนจียอมเสียสละให้ทานจะเป็นคนมีสเสน่ห์คือไปสถานที่ใดจะมีคนรักไข่ชอบพอเมตตาสงสารด้วยอา น, นิสงส์ที่เราเคยทำบุญสุนทาน เป็นเครื่องสนับสนุนต่อจากนั้นพบชาติขัางหน้าถ้าหากว่าเราลมหายตายไปอา น, นิสงส์ที่เราทำทานเอาไว้ถึงจะเกิดมามีหูมีตามีอวัยวะเหมือนกันเป็นหญิงเป็นชายก็ตามไม่มีเข้าขอเงินทองติดตัวมา แม้แต่นิดหน่อยเล็กน้อยทุกคนเกิดมาตัวเปล่าไม่มีอะไรติดมาแต่อำนาจบุญกุศลที่เราเคยสะสมอบรมไว้ในใจจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดสติเกิดปัญญาสแสวงหาทรัพย์ได้สะดวกสบายร่ำรวย มั่งคั่งสมบูรณ์นอกจากนั้นหากไปเกิดบนสวรรค์ด้วยอํานาจบุญกุศลที่เราก่อหลั่งสร้างเอาไว้ท่านก็ว่าทานเป็นทางให้ไปสวรรค์อันหนึ่งซึ่งมีในตํำรับตาราทานนางศักขะสาโสปานางทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์คนที่ไปเกิดในสวรรค์เป็นคนดี ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาคนตามชาลามกจะหนีเนี้ยแน่ไม่ให้ทานทำการผูกสนไม่เคยรักษากายวาจาใจของตนไม่เคยอบรมตนในทางดีคนนั้นจะมีเข่าของเงินทองสมบัติขนาดไหนจ้างไปเป็น หลายแสนห ล, หลายล้านก็ไม่สา ม, มารถที่จะไปอยู่สวรรค์ปราสาทดิมานได้เพราะเงินทองเก้าของส่วนนี้เป็นของมนุษย์สําหรับชายในชาติมนุษย์แต่ชาติเทวดาเทวบุตรชายไม่ได้ต้องอาศัยบุญกุศลบุญกุศลนั้นสา ม, มารถที่จะนําตนไปสู่สุคติได้สุคตินั้น ไม่เหมือนกันกันกบมนุษย์ผิดแปลกแตกต่างกันเพราะเป็นอนิสง์ของบุญที่เราสะสมเอาไว้ในชาติเป็นมนุษย์ไปเกิดโดยไม่ต้องอยู่ในท้องในคันของมารดาไปเกิดขึ้นเองโดยอำนาจของบุญท่านจึงว่าอุปติกะถกเทวดาเกิดทุทขึ้นเอง ถ้าจะเป็นบริวารของใครก็ไปเกิดในล่มเงาวิมานของคนนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเรามีบุญกุศลสมบูรณ์ก็ไปเกิดในวิมานของตนเองอย่างนั้นพิยมานพเราสั่งอะไรเอาไว้สิ่งนั้นจะได้เกิดรอคอยเราอยู่สถานที่ต่างๆ ตามอำนาจบุญปุศลพระโมกขลานะขึ้นไปชมดาวดึงจึงไปเห็นปราศาสวิมานหลังใหญ่สั่งงานงามมีแต่นางฟ้าเต็มอยู่แต่เทวบุตรไม่มีท่านจึงไปถามว่าปราศาทหลังนี้เจ้าของไปไหนใครเป็นเจ้าของปราศาทพวกเทพธิดาอยู่นั้นเราอะ